วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดมีนาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาหาความรู้จากผู้รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสู้ความจริงเกี่ยวกับตัวของพวกเราว่าตัวของพวกเรานี้เป็นอะไรกันแนะ่ เป็นไข่ตัวของพวกเราก็คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายอย่างที่พวกเราคิดกันเพราะว่าตัวของพวกเราคือจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกาย แต่ได้มาเกาะติดอยู่กับร่างกายเพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันพอเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยต้องมาวุ่นวายกับการ เลี้ยงดูร่างกายกับการรักษาร่างกายแน่แม่ว่าเราจะเลี้ยงดูร่างกายให้ดีอย่างไรรักษาร่างกายให้ดีอย่างไรร่างกายก็จะต้องมีวันเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายคือร่างกายก็จะต้องมีความแก่ มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความตายตามมาพอมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็เลยเกิดความทุกข์กันขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวกันขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลกันขึ้นมาเพราะเรา ไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันแต่ถ้าเราได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะส่งสอนให้พวกเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเราต้องใช้ร่างกายเนื่องจากเรา เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดพวกเราติดอะไรพวกเราติดรูปเสียงกลิ่นรสผธทพะที่เราจำเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายเป็นเครื่องมือให้เราเสพกันพอเวลาที่เราไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผธทพะเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ จะมีความรู้สึกอึดอัดรู้สึกหิวโหวยอพอเราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะมีความรู้สึกสบายไปชั่วคราวเพราะความสุขสบายที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑ์จะเป็น ความสุขชั่วคราวได้เสพแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดไปเราก็ต้องคอยหามาเสพใหม่อยู่เรื่อยๆจึงเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเพราะเราติดรูปเสียงกลิ่นรสผดทปพระชนิดต่างๆกันเราจึงต้องคอยหารูปเสียงกลิ่นรสผดทปพระมาเสพอยู่เรื่อยๆ และเราก็ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหายาเสพติดหารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะมาให้เราเสพกันถ้าเครื่องมือคือร่างกายมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะทำหน้าที่พาเราไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะได้ เราก็จะมีความทุกข์กันมีความไม่สบายใจกันมีความเศร้ามีความเหงามีความว้าเหวิกันเราจึงรักและหวงและหวงร่างกายของพวกเรามากถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นตัวเราแต่เนื่องจากเราต้องอาศัยมันต้องมีมัน เพื่อที่เราจะได้มีความสุขกันนี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่พวกเราต้องทุกข์กันวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องของร่างกายนี้เองและเรื่องของการใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้น่าหามาได้มากได้น้อยเพียงไรก็ตาม ความสุขต่างๆที่เราหามาได้มันก็ไม่อยู่ติดกับใจเราไปนานได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดปล่อยให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายขึ้นมาในใจอยู่เรื่อยๆเราก็เลยต้องพยายามเติมความสุขให้กับใจอยู่เรื่อยๆเติมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มวันพอ นไปจนถึงวันตายก็ยังไม่อิ่มไม่พอเมื่อไม่อิ่มไม่พอใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่พอได้ออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มหาความสุข ทางตาหูจมูกจมกูกร่ากายต่อไปเราทำอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานเราได้เปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายและเราก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์ที่เรา ได้มาจากการมามีร่างกายก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดกันมาหาอะไรต่างๆในโลกนี้แล้วก็มาเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆน้ำตาที่เราหลั่งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเราเอามารวมกันของแต่ละพบแต่ละชาติเราจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูกันแล้วกันว่าน้ำในมหาสมุทรนี่มากไม่เพียงไรน้ำตาที่พวกเราได้หลั่งมาแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะการที่เรา ติดการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เองจึงต้องพาให้พวกเราต้องมามีร่างกายมาหาร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้พาเราไปหาความสุขต่างๆแล้วเราก็ต้องมาทุกมาวุ่นวายใจมาวิตกมากังวล กับความเป็นความตายของร่างกายนี่คือเรื่องราวของพวกเราที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษามาฟังคำสำั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ได้ทรงตัดสรล้คือได้พบความจริง ของตัวพวกเราว่าพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นจิตวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง หาความสุขจากตำแหน่งยศต่างๆห า, าความสุขจากการสรรเสริญเยินยอหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องมาทุกข์เพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป พอหมดไปก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะนี่เป็นวิธีที่พวกเรารู้วิธีเดียวเท่านั้นในการที่จะทำให้พวกเรามีความสุขกันพวกเราก็เลยต้องสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตาย ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหาความสุขแบบเดิมต่อไปอีกจนกว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับปัญหาของพวกเราในขณะนี้และ วิธีที่พวกเราจะแก้ปัญหาของพวกเรนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีคำตอบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเพราะเราสามารถหาความสุขได้อีกในอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย รูปแบบที่ต้องใช้การสร้างธรรมะขึ้นมาสร้างธรรมที่จะทำให้เกิดความสุขในใจของพวกเราขึ้นมาทรรมที่จะสร้างความสุขให้กับพวกเราแทนที่จะใช้ร่างกายก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราสร้างศีลสร้างสมาธิ สร้างปัญญาขึ้นมาได้เราก็จะมีวิธีสร้างความสุขแบบใหม่ที่เราจะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายมาเดือดร้อนมากั ง, งวลกับความเป็นความ ตายของร่างกายต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้วิธีหาความสุขแบบใหม่ที่จะทำให้เราตัดปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ คือปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของร่างกายจะหมดไปเมื่อเราสามารถที่จะหาความสุขจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกต่อไป ร่างกายมีอันเป็นไปอย่างไรก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ไม่ทำให้เราเดือดร้อนเพราะเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายนี่แหละเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์ที่ไม่มีใครในโลกนี้ สามารถมาบอกมาสอนให้กับพวกเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอน จากพระพุทธเจ้าเองหรือจากพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือจากพระอาลยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาและได้นําเอาไปปฏิบัติได้ไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพมาเสกหันมาเปลี่ยน การใช้ศีลสมาธิปัญญามาเป็นเครื่องมือผลิตความสุขให้กับใจท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถที่จะยุติการพึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ท่านก็เลยไม่ต้องทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไป และท่านก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปท่านก็เลยไม่ต้องมีการเกิดให ม, ม่การมาเกิดนี้ในสายตาของพวกเราที่ยังมืดบอดอยู่พวกเรามักจะคิดว่าการเกิดนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราคิดว่าเมื่อเราเกิดแล้ว เราจะได้มีร่างได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขจากลาบยศสรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพ้ากันเราถึงมักจะชอบฉลองวันเกิดกันพอถึงวันครบรอบวันเกิดนี่แทนที่เราจะหวาดกลัวเสียใจ เรากลับไปดีใจที่เราได้มาเกิดกันมาฉลองวันเกิดกันเพราะว่าเรายังไม่ได้มองไปไกลกว่าปัจจุบันของร่างกายที่ยังแข็งแรงที่ยังมีความสามารถที่จะหาความสุขต่างๆให้กับเราได้อยู่นั่นเองแต่ถ้าเราเฉลียวสนิดเนี่ย ฉลาดสักหน่อยคือมองไกลจากปัจจุบันเราก็จะเห็นอนาคตของร่างกายของพวกเราว่าร่างกายของพวกเรานี้ไม่แน่นอนอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมากับร่างกายได้ทุกโอกาสทุกเวลาอาจจะพิกลพิการขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ไม่จำเป็น่ว่าจะต้องแก่ก่อนแล้วถึงค่อยมาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการหรือถึงแก่ความตายนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มองไปข้างหน้ากันเรามองแต่ในปัจจุบัน มองในขณะที่ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของเราพร้อมที่จะพาเราไปหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพาคกันเราก็เลยชอบฉลองวันเกิดกัน พอครบรอบวันเกิดท้าครั้งหนึ่งก็ฉลองวันเกิดกันใหญ่โดยไม่รู้สึกตัวว่ากําลังฉลองความทุกข์กันฉลองความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปในอนาคตเพราะว่าร่างกายของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กนี้จะต้อง เจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายด้วยกันทุกคนเพราะนคนฉลาดถึงจะมักจะไม่ฉลองวันเกิดกันคนฉลาดนี้จะรอฉลองวันไม่เกิดกันวันที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเอกต่อไป จะฉลองในวันนั้นว่าบัด น, นี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้วเราไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปแล้วร่างกายจะเป็นจะตายไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปแล้วเราจะไม่มีร่างกายใหม่อีกต่อไปร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ จะเป็นร่างกายอันสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะเราไม่ต้องการที่จะมาเจอความทุกข์จากร่างกายนี้เองนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระอริยรสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นคนฉลาดท่านจะฉลองวันไม่เกิดกัน แต่พวกเรานี้ยังเป็นคนไม่ฉลาดเรายังไม่เห็นความทุกข์ที่มีกับการมาเกิดกับการมามีร่างกายกันเราก็เลยมาฉลองต้อนรับร่างกายของเรากันเพราะเราคิดว่าเรามีเครื่องมืออันวิเศษคือมีร่างกาย ที่จะคอยหาความสุขต่างๆให้กับเรานั่นเองแต่เราลืมไปว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและเข้าสู่ความตายและบางทีอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนแก่ก็ได้แลวตายก่อนที่ จะป่วยหรือจะแก่ก็ได้บางคนตายแบบกระทันหันร่างกายยังแข็งแรงเป็นหนุม่มเป็นสาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ไปเจออุบัติเหตุอุบัติภัยเข้าลดความตายบ้างถูกเขาฆ่าตายบ้างนี่เป็นเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคน ที่พวกเราไม่ควรที่จะประมาทนอนใจไม่ควรที่จะหลงไหลไปกับความแข็งแรงของร่างกายของเราในขณะนี้เราต้องพยายามมองไปข้างหน้าเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราทุกคนไม่มีข้อยกเว้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ร่างกายของพวกเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆ และอีกอย่างหนึ่งที่เราล่วงพ้นไปไม่ได้ก็คือการพัดพรากจากกันเราจะไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดไม่ว่าจะรักกันมากขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทวิสาหเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ยังต้องมีการพัดพรากจากกันในที่สุดไม่ช้าก็เร็ว ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายนี่คือสิ่งที่พวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษามาสอนตัวพวกเราให้รู้ว่าอนาคตของร่างกายของพวกเราจะเป็นอย่างไรเราจะได้ไม่ไปหลง บัเลงกับการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงในขณะนี้แล้วเราจะได้เริ่มคิดเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันว่าวิธีที่เราหาความสุขแบบนี้มันจะต้อง เ, อเจอกับความหายนะในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน ถ้าเป็นเหมือนเรือที่เรานั่งอยู่ก็เป็นเรือที่จะต้องจมลงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรือจะจมนี่เราต้องเตรียมชูชีพกันเอาไว้ก่อนที่จะลงเรือที่จะจมนี่เราต้องเตรียมชูชีพเพราะว่าเวลาที่เรือจมเราจะได้อาศัยชูชีพช่วยพยุงร่างกายของเรา ไม่ให้จมลงไปกับเรือนั้นเองฉัน้นใดร่างกายของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนเรือที่พาเร า, เาล่องในทะเลหาความสุขเหมือนพวกเรือสำราญต่างๆเรือสำราญนี่เขามีเครื่องบรรทเครื่องอำนวยความสุขเหมือนกับอยู่บนดินเลย มีความสุขทุกลุกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยการบันเทิงมโหรสพอะไรต่างๆมีพร้อมให้ให้ผู้ที่โดยสารในเรือนั้นเพลิดเพลินโดยไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองกําลังลอยอยู่กลางทะเลและมีโอกาสที่เรือจะล่มได้ถ้าเกิดวันดีเกินดีเรือไปเจอมโหลศ มหรสุมมรสุมเกิดพายุทำให้เรือล่มลงเนียผู้ที่อยู่ในเรือถ้าไม่มีชูชีพเตรียมไว้ก่อนก็ต้องจมลงไปกับเรือเน่ร่างกายของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนเรือที่พวกเราอาศัยกันอยู่เรือสำราญที่พาให้เราไปหาความสุขชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้กันแต่พวกเราลืมไปว่าเรือที่พวกเราอาศัยอยู่นี้มันจะต้องอับปางลงในวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้เตรียมชูชีพเอาไว้เวลาเรืออับปางเรือล่มลงเราก็จะต้องจมลงไปกับเรืออย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ ดำลึกอยู่เรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราเป็นเหมือนผู้โดยสารบนเรือที่จะต้องอับปางกลางทะเลถ้าเราไม่อยากที่จะต้องจมน้ำลงไปกับเรือก็อย่าลงเรือหรือถ้าลงเรือแล้วก็เตรียมหาชูชีพการไม่ลงเรือก็คือการอย่ากลับมาเกิด แต่ถ้าเมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันมาเปลี่ยนวิธีที่จะไม่ต้องทำให้เราต้องพึ่งร่างกายกันให้เราเปลี่ยนที่พึ่งใหม่ให้เราเตรียมชูชีพขึ้นมาเวลาที่ร่างกายอับปางเวลาที่ร่างกายล่มจมเราจะได้มีชูชีพที่จะ พยุงให้จิตใจของพวกเรานี้ไม่ล่มจมไปกับร่างกายชีวีพนี้ก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญากันนี่แหละทำไมเราจึงต้องมาปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิมาปฏิบัติปัญญาเพราะเรา ต้องการที่จะมีฉู่ชีพไว้รักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไปกับเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายไปนั่นเองถ้าเราไม่มีฉูชีพไม่มีความสุขที่ได้จากการปฏิบัติศิงหสมาธิปัญญาใจเราจะวุ่นวายใจเราจะ ทุกจะไม่สบายใจจะหวาดวิตกกังวลหวาดตัวกับภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายของพวกเราแต่ถ้าเรามีความสุขภายในใจที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราจะมีความอบอุ่นใจมีความเบาใจสบายใจจะไม่เดือดร้อน เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปแต่การที่เราจะมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราต้องคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆให้รู้ถึงอนาคตของร่างกายว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายต่อไปถ้าเราไม่คิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราเลิมได้พอเราเลิมเราก็กลับไปพึ่งร่างกาย เพราะตอนนี้ร่างกายกำลังสมบูรณ์กำลังแข็งแรงกำลังตอบสนองความสุขที่เราต้องการได้เพราะความสุขที่จะได้จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ยังต้องค่อยเป็นค่อยไปอยู่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะปฏิบัติกันนได้ผลกันทันทีทันใด บางทีเราก็อาจจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะทำให้เราคิดอยากจะกลับไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะร่างกายยังแข็งแรงยังสมบูรณ์ยังสามารถหาความสุขให้กับเราได้อยู่นั่นเอง แต่ถ้าเราคอยคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่บ่อยๆ mm hmm. วันหนึ่งต้องคิดหลายๆรอบด้วยกันเพื่อการลืมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยให้ความสุขกับเรา mm hmm. ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ลืม แล้วพอเวลาที่เราเกิดความท้อแท้ต่อการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราจะได้มีสิ่งที่มาคอยเตือนใจให้กําลังใจกับเราว่าเราต้องปฏิบัติต่อไปเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี้จะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริง ตอนนี้เรายัางปฏิบัติไม่ได้มากก็อย่าท้อแท้พยายามทาไปเรื่อยๆเพราะการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ก็จะต้องใช้เวลาไม่ใช่ปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะออกดอกออกผลให้กับเราได้นอกจากถ้าเป็นถั่วงอกนี้ก็อาจจะได้ ถั่วงอกนี้เพาะืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็งอกขึ้นมาให้กินได้แต่มันให้กินได้นิดเดียวไม่ได้ผลมากถ้าต้องการกินดอกผลของต้นไม้นี้ต้องใช้เวลาหลายปีด้วยกันแต่พระเจ้าก็ทรงให้กาลังใจแล้วว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆสำหรับบางคนก็ อาจจะได้ภายในเจ็ดวันก็ได้ก็มีบางคนมีความเก่งมีความฉลาดถ้าเป็นนักเรียนก็พวกนักเรียนเกียรตินิยมเนี่ยพวกนี้เขามีความเพียรสูงมีความพยายามสูงเขามีความฉลาดมากเขาเรียนรู้ได้เร็วและสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้เร็วรก็มีเจ็ดวันก็มี สำหรับบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากพระพุทธเจ้าได้ส่งรับประกันไว้แล้วว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างจริงจังคือต้องเป็นนักเรียนน้อยเปอร์เซ็นต์นักเรียนอาชีพไม่ใช่นักเรียนสมัครเล่น เหมือนบางมหาลัยนี่เขาเปิดให้นักเรียนแบบสมัครเล่นมาเรียนได้จะใช้เวลากี่ปีจบเขาก็ไม่ได้ไปกาหนดมหาลัยบางแห่งนี่ให้ทางานหาทำทำงานไปด้วยแล้วก็วันวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดก็ให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยถ้าเรียนแบบนี้ก็อาจจะต้องช้าหน่อยหรือนานหน่อย หรืออาจจะไม่จบก็มีเพราะเรียนไปเรียนมาก็เรียนไม่ไหวเพราะใบมีภาระกับการทำงานมีความเครียดมีความวิตกกังวลอะไรต่างๆจึงทำให้ไม่มีกรจิกกระใจที่จะเรียนหนังสือให้จบตามหลักสูตรได้แต่ถ้าไปเรียนตามมหาหลัยที่เขามี กำหนดระยะเวลาเช่นสี่ปีก็จบแต่จะจบก็ต้องผ่านคือต้องทำข้อสอบที่เขาตั้งขึ้นมาให้ทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้สี่ปีก็ไม่จบถ้าทำไม่ได้เขาก็จะไม่ให้อยู่ให้เกะกะ ก, กับสถาบันเสียพื้นที่ให้กับคนอื่น เขาก็จะให้เราออกไปถ้าเราเรียนไม่ผ่านเขาก็ให้เราลาออกไปเพื่อจะได้เปิดทางให้กับผู้อื่นครับเขาจะได้เข้ามาเรียนได้ในทางปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะได้ผลจริงๆเราต้องเอาจริงเอาจังต่อการปฏิบัติเราต้องเป็นนักเรียนอาชีพ อย่าเป็นนักเรียนสมัครเล่นนะนักเรียนสมัครเล่นนี่คือไม่เรียนเต็มที่เรียนตามเวลาว่างหรือเวลาที่อยากจะเรียนเวลาไหนไม่ว่างหรือเวลาที่ไม่อยากจะเรียนก็ไม่เรียนถ้าอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรหรืออาจจะเรียนไม่จบก็ได้เนี่ย ดังนั้นในทางธรรมนี้คือในทางการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าต้องการที่จะได้ผลจากการปฏิบัตินี้จำเป็นจะต้องเอาจริงเอาจริงกันแต่ในเบื้องต้นนี้ก็เป็นการเรียนแบบมือสมัครเล่นไปก่อนก็ได้เพราะว่ายัางอาจจะไม่พร้อมที่จะไปเรียนแบบ มืออาชีพก็ลองเรียนแบบมือสมัครเล่นไปก่อนห า, หาเวลาที่เอาเวลาว่างที่มีอยู่นี้แทนที่จะเอาเวลาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิั์เช่นไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรามาเวลาเหล่านี้มาให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดูลองไปอยู่วัดดูสักวันหนึ่งวันที่เราไม่ต้องทํางานไม่ต้องไปโรงเรียนไปเรียนวิธีปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและหัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่วัดที่สํานักปฏิบัติเนี่ยคำว่าวัดนี้อาจจะเป็นคําว่ากว้างไป เพราะวัดบางวัดก็ไม่มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่มีการสอนต้องไปเรียนตามสำนักปฏิบัติที่จะมีครูมีอาจารย์มาสอนมาพาปฏิบัติสอนให้ปฏิบัติศีลสอนให้ปฏิบัติสมาธิสอนให้ปฏิบัติปัญญาแม้จะเอาเพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งคืน ก็ยังดีถ้าสำหรับเป็นผู้ที่เป็นมือใหม่มือหัดขับนี่ก็ต้องเอาแบบสั้นๆก่อนเพราะว่าสถานภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะมาปฏิบัติแบบเต็มร้อยได้ก็เอาแบบมือสมัครเล่นก่อนมาอยู่ช่วงข่าวอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง วันไหนเป็นวันหยุดวันว่างจากภารกิจการงานต่างๆแทนที่จะใช้วันว่างนั้นไปหาความสุขผ่านทางร่างกายก็มาหัดมาหาความสุขผ่านศีลสมาธิปัญญากันนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเปลี่ยนวิธีจากการหาความสุขผ่านทางร่างกาย มาความสุขผ่านทางการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันนะไปลองทำดูสักหนึ่งวันหนึ่งคืนดูไปอยู่วัดนะไปหัดถือศีลแปดเนนะี่ยเพราะศีลห้านี้มีกำลังไม่พอที่จะสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิและปัญญาจำเป็นจะต้องมีศีลแปด เหมือนกับเวลาขับรถขึ้นเขานี้กับเวลาขับรถบนพื้นราบนี้ใช้เกียร์คนละอย่างกันเวลาอยู่พื้นราบก็ใช้เกียร์ต่าใช้เกียร์สูงได้แต่เวลาขับรถขึ้นสูงขึ้นเขานี้ต้องเปลี่ยนเกียร์ต้องมาใช้เกียร์ต่ำเพราะเกียร์ต่ำนี้มีกำลังมากในการขับเคลื่อนแต่มีความเร็วน้อย ถ้าเป็นเกียร์สูงนี้มีกำลังขับเคลื่อนน้อยแต่มีความเร็วสูงกว่าฉนั้นเวลาที่อยู่บนพื้นราบก็ใช้เกียร์สูงเพื่อรถจะได้วิ่งเร็วเพราะไม่จำเป็นที่ต้องใช้กำลังขับเคลื่อนมากเพราะเป็นพื้นราบแต่เวลาขึ้นเขานี่มันเป็นพื้นที่ชันจะต้องใช้กำลังขับเคลื่อนสูงก็เลยต้องเปลี่ยนเกียร์กันเปลี่ยนจาก เกียร์สูงมาเป็นเกียร์ต่ําำศี่ศี่นี้ก็เหมือนกันสี่ห้าสีลแปดนี้ก็เป็นเหมือนเกียร์สูงเกียร์ต่ําำถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธทมเราใช้ศีลห้าก็พอเพียงต่อการที่จะรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้มีเรื่องมีราวแต่ถ้าเราต้องการที่จะมา ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการที่เราจะปีนขึ้นเขาเราก็ต้องมาเปลี่ยนเกียร์จากศีลห้ามาเป็นศีลแปดเพราะศีลแปนี้จะช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติสมาธิและ ป, ปฏิบัติปัญญานั่นเองเพราะว่าถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราก็จะถูกห้ามไม่ให้เอาเวลาไปทำ ไม่ให้ไปเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเราก็ต้องหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่รับประทานอาหารเกินเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูภาพยนตร์มอรสบบันเทิงต่างๆไม่ร้องรำทำเพลงไม่ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามแล้วก็ไม่นอนมากเกินไปให้นอนบนไม้แข็งบนพื้นแข็งๆอย่านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆที่สุที่สบายเพราะจะทำให้นอนมากเกินไปถ้านอนมากเกินไปเวลาที่จะเอามาปฏิบัติก็จะหายไปหมดเนี่ยนี่คือศีลแปด สิญแปดมีหน้าที่เพื่อหยุดการเอาเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอถือสิญแปดแล้วเราก็จะไม่สามารถเอาเวลาของการปฏิบัติไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติสมาธิและปัญญาได้ ถ้าเราไม่ถือเสียนแปดเราอาจจะไปนั่งดูหนังไปฟังเพลงไปกินไปเด่มอะไรไปเปิดมือถือคุยกับเพื่อนติดต่อกับคนนั้นติดต่อกับคนนี้ดูอะไรต่างๆที่มีอยู่ในมือถือเราก็จะเสียเวลาอันมีค่าไปเวลาที่เราจะเอามาใช้กับการปฏิบัติสมาธิและปัญญาก็จะไม่มี แต่พอเราถือศีลแปแล้วนี่เราจะรู้สึกว่างไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรให้ทำเพราะทำไม่ได้อะไรต่างๆที่เราเคยทำนี่ถูกฆ้ามหมดเนี่ก็เลยทำให้เรามีเวลาว่างถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีปฏิบัตินี่เราต้องไปเข้ากลุ่มก่อนต้องไปอยู่กับกลุ่มที่เขามีกำหนดตารางเวลาของการปฏิบัติเพราะถ้าปล่อยให้เราอยู่ว่างๆเฉยๆคนเดียว เดี๋ยวเราทนไม่ไหวเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดมือเถอเปิดอะไรดูเปิดอะไรฟังเพรฉะนั้นในเบื้องต้นอาจจะาเป็นจะต้องไปเข้าหลักสูตรเรามีสถานที่ที่สอนวิธีปฏิบัติมีหลักสูตรสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันแล้วแต่กำลังของผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเรามีกำลังเรารู้จักวิธีปฏิบัติของเราเอง เราก็ไม่ต้องไปเข้าหลักสูตรก็ได้พอเรามีเวลาว่างปั๊บเรารู้เลยว่าต้องนั่งสมาธิแล้วถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วต้องลุกขึ้นมาเจริญสติแล้วหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องเปิดฟังธรรมะแล้วเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นไปตามลาดับแต่ถ้าเรายังไม่รู้จะทาอะไร เวลาที่เราถือศีลแปดแล้วเรามีเวลาว่างเต็มไปหมดไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนี่เราก็ต้องไปอยู่กับไปเข้ากลุ่มกับที่เขามีตารางเวลาสอนให้เราปฏิบัติกันเช่นเขาจะมีตารางเวลาตื่นตีสีเดินแล้วก็ให้ล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปไหว้พระสวดมนต์หรือไปนั่งสมาธิหรือไปเดินจงกรม แล้วแต่แล้วแต่ผู้สอนจะกําหนดเราจะสอนหนักไปทางด้านสติก่อนให้มันจเจริญสติให้ควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาต้องคอยควบคุมความคิดด้วยการใช้กรรมฐานที่จะทําให้หยุดความคิดต่างๆได้กรรมฐานมีสี่สิบชนิดแต่ที่จะ ใช้กันสําหรับผู้ที่เริ่มต้นก็มักจะใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือใช้การสวดมนต์นิติปิโสหรือใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นเวลาเดินก็รู้ว่ากําลังก้าวเนอะกําลังยกหนาะกำลังวางหนอะหรือทําให้ง่ายขึ้นง่ายเพียงแต่รู้ว่าซ้ายขวาไปก้าวเท้าซ้ายก็ซ้ายก้าวเท้าขวาก็ขวา ให้นึกอยู่ภายในใจอย่างนี้เพื่อที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองเพราะว่าการที่จะทำใจให้เป็นสมาธิให้นิ่งสงบให้มีความสุขมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราได้จำเป็นจะต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้จิตจะไม่มีวันสงบจิตก็จะไม่มีความสุข แล้วก็จะทำให้ต้องกลับไปพึ่งความสุขผ่านทางร่างกายต่อไปอนี่คือสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ไปเข้าหลักสูตรตามสาสถานที่ปฏิบัติต่างๆมีทั้งสถานที่เป็นของสำนักของวัดก็มีมีผ้าเป็นครูสอนก็มีสำนักของแม่ชีก็มีสำนักของคารวะก็มี ก็สอนเหมือนกันสอนวิธีเจริญสติสอนวิธีนั่งสมาธิเป็นเป็นส่วนใหญ่แล้วเรื่องปัญญาก็สอนบ้างแต่เน้นไปในทางขั้นต้นของการปฏิบัติก่อนคือการเจริญสติการควบคุมใจให้หยุดความคิดให้ได้มเมื่อหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ เขาจะมีตารางให้ทำทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยจะไม่ปล่อยให้เราอยู่เฉยๆร อ, อบอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะขวยหารูปเสียงกลิ่นรสทันทีเพราะจิตเรายังเป็นพวกติดยาเสพติดกันอยู่ยังติดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่พอไม่มีใครมาคอยควบคุมบังคับมาคอยห้ามเดี๋ยวก็ไปนะเดี๋ยวก็แอบไปเปิดมือถือดู ไปดูหนังสือน่นดูหนังสือนี่ไม่รู้ว่ามีอะไรให้ดูจะเปิดดูแต่ถ้าเป็นหนังสือธรรมะนี่จะไม่เปิดหนังสือสวนมนต์นี่จะไม่เปิดแต่ถ้าเป็นหนังสือแฟชั่นหนังสือข่าวข่าวหนังสืออะไรหนังสือท่องเที่ยวนี้ใจมันจะดูดมันจะวิ่งเข้าหาทันทีจึงต้องไปอยู่ตามสำนักที่เขารู้ เรื่องของใจเขาจะไม่มีสิ่งต่างๆให้เราดูกันแล้วเขาก็จะมีตารางเวลาที่จะทำให้เราไม่มีเวลาว่างกันช่วงนี้ยเดินจงกรมช่วงนี้นั่งสมาธิช่วงนี้ฟังธรรมฟังครูสอนวิธีปฏิบัติช่วงนี้เป็นช่วงพักรับประทานอาหารช่วงนี้เป็นช่วงทำความสะอาดจะมี ตารางตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยจะทําให้เรารู้สึกไม่เหงาไม่รู้สึกเวงเคว้งคว้างเพรา ะ, ะจะมีอะไรให้เราทําอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำของเราคนเดียวนี่เราอาจจะเคว้งคว้างขึ้นมาไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีถ้าปล่อยให้ตามใจเดี๋ยวมันก็อยากจะไปเปิดดูนั่นเปิดดูนี่ไปกินนั่นไปกินนี่ขึ้นมาดังนั้นสําหรับ ผู้ที่ยังไม่มีแนวทางยังไม่รู้จักแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ควรที่จะไปเข้ากลุ่มก่อนไปเรียนจากสำนักที่เขามีกติกามีตารางเวลาของการปฏิบัตินะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างความจริงก็ปฏิบัติศีลเนี่ยข้อแรกก็คือรักษาศีลแปดกัน เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติสมาธิและ ว, วิธีที่จะปฏิบัติสมาธิก็ก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติมานั่งสมาธิใจก็ไม่ยอมหยุดคิดน่ะนั่งสมาธิดูลมก็ดูไม่ได้ดูได้สองสามครั้งก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พุโทโธได้สองสามคำก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ ถ้ายังคิดอยู่นี้อย่าเพิ่งมานั่งดีกว่านั่งไม่ได้ผลเดินดีกว่าเดินจงกรมเดินไปเดินมาระยะทางเดินจงกรมก็ถ้าเป็นไปได้ก็สั้งยี่สิบเก้าขึ้นไปยี่สิบถึงยี่สิบห้าเก้าถ้าสั้นเกินไปเดี๋ยวมันจะเวียนศีรษะพอเดินไปปับ๊บเดี๋ยวก็ต้องหมุนกลับเดี๋ยวเดินไปปับ๊บนี่ก็ต้องหมุนกลับ ก็อย่างน้อยคนจะมีสักยี่สิบยี่สิบห้าเก้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปไม่ได้ถ้ามันสั้นจริงๆก็เดินแบบไม่ต้องหมุนกลับก็ได้เดินหน้าแล้วก็เดินถอยหลังเวลาเดินถอยหลังก็คอยเอามือยื่นไว้ข้างหลังเผื่อถึงถึงถึงฝาจะได้รู้ว่าเดินถึงฝาแล้วจะได้ไม่ชนฝาไม่เดินชนฝาถ้าอยู่ในที่แคบแคบจริงๆแล้วต้องเดินก็ต้องทาแบบนี้ เพื่อที่เราจะได้มีสติเดินแล้วก็ต้องคอยควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆต้องบังคับให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าอยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็ให้อยู่กับบทสวดอิติปิโสไปต้องบังคับเมื่อใจเวลาหัดใหม่ๆนี้มันเหมือนเด็กเด็กอนุบาล น, นี้ ต้องมีพี่เลี้ยงมีครูมาคอยคุมมาคอยต้อนใ ห, ทหนน้ทำนู่นทำนี่ถ้าปล่อยให้เด็กทำเด็กมันก็จะไปเล่นกันจะทำอะไรกันใจของผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหัดปฏิบัติใหม่ๆนี้ก็เป็นเหมือนเด็กอนุบาลดีๆนี่เองต้องมีเขาผู้ควบคุมต้องคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดต้องบังคับให้สวดอิติปิโสไป ถ้าพุโทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธไปถ้าดูการก้าวของร่างกายได้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาอยู่ก็ดูซ้ายขวาซ้ายขวาไป ต, ต้องทำเยอะๆนะไม่ใช่ทำแค่ห้านาทีสิบนาทีพอแล้วบางสำนักเขาบังคับให้เดินทีสองสามชั่วโมงต้อง เวลาเดินไปช้อปปิ้งกี่ชั่วโมงทำไมก็เดินได้วะทำไมเดินหาของดีหาสติหาความสุขทางใจที่ดีกว่าของที่เราจะซื้อจากช้อปปิง้งทำไมเดินไม่ได้กันเวลาช้อปปิ้งนี่สองชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วเดินเข้าร้านนี้ออกร้านนู้นก็ออดูเวลาโอ้สองชั่วโมงหมดไปแล้วเดินได้เพลิดเพลิน แต่พอให้มาเดินหาความสงบเดินหาสตินี่เดินได้ห้านาทีดูนาฬิกาแล้วโอ๊ยเมื่อหจะได้ทักทีเนี่ยนเะพราะว่าใจมันไม่ชอบเนี่ยมันไม่เคยทำมันอะไไม่ชอบมันยังไม่เห็นคุณประโยชน์ที่ได้จากการเดินจงกรมนะถ้าเดินจงกรมแบบมีสติแล้วพอได้สติจริงๆนี่ใจมันจะรู้สึกเฉยเบาเย็น เหมือนเดินบนก้อนเมฆเลยถึงแม้ว่าจะเดินมาเป็นชั่วโมงก็ตามพอใจเริ่มมีสติต่อเนื่องใจเริ่มไม่คิดเรื่องราวต่างๆใจเริ่มมีความสงบถึงแม้จะไม่สงบแบบเต็มร้อยแต่มีความสงบแบบเบาใจสบายใจตัวนี้เหมือนคิดว่าลอยอยู่บนก้อนเมฆเลยเวลาเดินนี้จะไม่รู้สึกเมื่อยเลยถ้าตั้งใจเอาจริงๆ แต่ช่วงแรกๆนี้มันจะเหมือนกับเท้านี่เหมือนหนักเป็นกิโลนะจุกอาจจะยกเท้าได้สักก้าหนึ่งโอ้ยมันหนักแสนหนักนะเพราะมันเป็นของที่ใจไม่ชอบทำมันก็เลย เกิดอาการรู้สึกต่อต้านกับการเดินมันก็เลยไม่อยากเดินพอจะก้าวแต่ละก้าวนี้มันรู้สึกโอ๊ยมันเท้ามันทำไมหนักเหลือเกินไม่เคยหนักเหมือนตอนที่ไปชอปปิ้งเลยตอนชอปปิ้งนี้ตัวเบา เห็นนู่นเห็นนี่เพลิดเพลินกับเนี่ยใจมันเพลิดเพลินกับรูปเสี่รูปต่างๆของสินค้าที่เราไปดูไปไปชมกันแต่ถ้าเราเพลิดเพลินกับสติเพลิดเพลินกับกรรมฐานได้ถ้าเพลิดเพลินกับการสวดเอติปิโสเพลิดเพลินกับพุทโธหรือเพลิดเพลินกับการดูท่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปได้มันก็จะเป็นเหมือนช้อปปิ้งเลยทีนี้มันจะเพลิดเพลินมันจะสบาย มันจะไม่รู้สึกเหนื่นนอยเมื่อยล้ามันจะเดินเนี่ยในสมัยพุทธการท่านบอกว่าอันรู้ทำด้วยฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมอย่างทั้งฝ่าเท้าแตกกันแต่ท่านไม่รู้สึกเจ็บเลยถึงแม้ร่างกายจะเจ็บแต่ใจของท่านนี่ไม่เจ็บนะใจของท่านสบายมีความสุขในการเดินจงกรมในการฝึกสติฝึกสมาธิ พอเดินมีสติแล้วทีนี้เวลาไปนั่งเนี่ยจะนั่งสงบและนั่งได้นานแล้วก็จะได้ความสุขที่มากยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการเดินจงกรมอีกความสุขที่เต็มร้อยจะได้ตอนที่เรามานั่งสมาธิกันความสุขที่ได้จากการเดินจงกรมนี้ยังไม่เต็มร้อย แต่พอได้ความสุขจากการมานั่งสมาธิจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมานี่จิตจะมีความรู้สึกมีความสุขเต็มร้อยมีความมหัศจรรย์ใจไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยว่าในใจของเราเองนี่มีของวิเศษรอเราอยู่ตลอดเวลาแล้วกลับไปเมินเฉยไม่เคยให้ความสนใจกับเขาเลยพอเราได้มาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วว่า นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีเท่านั้นแล้วพอเราได้มาฝึกสติตามตามตามคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราตั้งใจทำอย่างจริงจังถึงแม้จะเป็นขั้นสมัครมือสมัครเล่นก็ตามแต่ช่วงที่เราปฏิบัติเราทำแบบมืออาชีพถึงแม้ว่าจะ ป, ะปฏิบัติเพียงวันเดียวก็ตามหรือเดินจงกรมเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตามถ้าเราเดินแบบมืออาชีพเราก็จะได้รับผลแบบมืออาชีพนะคับอเวลาเราปฏิบัติถึงแม้เราจะเริ่มต้นเราอย่าไปถือว่าเราเป็นมือสมัครเล่น ขอให้เราปฏิบัติแบบมืออาชีพเอาแบบเอาจริงเอาจังถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ตามแต่ในขณะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นมืออาชีพได้ถึงแม้เป็นมืออาชีพแบบชั่วคราวคือมืออาชีพเขาทำอะไรแบบจริงจังเขาไม่ทำแบบเล่นๆ น, นั่นแหละคือความหมายของมืออาชีพ ถ้าเราทำแบบเอาจริงเอาจังห้มีสวดพุทโธก็พุทโธจริงจจังจังไม่เอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยสวดอิติปิโสก็อิติปิโสจริงจริงจังจังดูเท้าก็ดูแบบจริงจจังจังไปแล้วรับรองได้ว่าผลของมืออาชีพก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องรอเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าเราเอาจริงเอาจังมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาที มีบางคนหัดเริ่มต้นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นบอกให้นั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธก็ลองไปทําดูแบบเอาจริงเอาจังอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวห้านาทีสิบนาทีจิตก็เข้าสู่สมาธิได้นก็มีนี่ยในประวัติในหนังสือที่หลวงตาขียนถึงเนี่ยขอให้เอาจริงเอาจังเท่านั้นในการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาอย่าไปทําแบบอ แบบไม่ไม่มั่นใจทําแบบไม่ไม่ทุ่มเททําแบบขอไปทีทําไปสักแต่ว่าทําถ้าทําแบบนั้นแล้วผลที่จะเกิดนี่ยากแต่ถ้าเอาจริงเอาจังแล้วเดี๋ยวรับประกันได้ว่าบางทีห้านาทีสิบนาทีของการเดินจงกรมก็เริ่มเห็นผลนะเริ่มรู้สึกเท้าเบาขึ้นตัวเบาขึ้นเดินรู้สึกสบายขึ้นจะเดินแล้วรู้สึก ไม่รู้เสกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่อย่างใดนะครับเพราะจิตมันได้สได้สติขึ้นมามันหยุดลอยไปกับความคิดต่างๆ ถึงแม้ว่าจะมีความคิดอยู่บ้างแต่มันก็น้อยกว่าตอนที่เริ่มต้นจากร้อยเอร์ซ็นเหลือแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างภายในใจขึ้นมาทันทีใจที่เคยหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะหายไปจะมีความเบา อ, อกเบาใจมีความสบายใจปรากฏขึ้นมา นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราฝึกสติกันก่อนถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบจิตยังคิดฟุ้งซ่านอยู่เราก็ต้องมาเจริญสติกันก่อนมาเดินจงกรมกัน หรือถ้าไม่เดินจงกรมเวลาทำภารกิจอะไรก็ให้มีสติอยู่กับภารกิจที่เราทำอยู่อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับภารกิจอย่างเดียวก็เป็นเหมือนกับการเดินจงกรมแต่อาจจะไม่ดีเท่ากับเดินจงกรมเพราะเวลาทำภารกิจก็ต้องมีความคิดอยู่บ้างต้องคิดกับเรื่องของภารกิจที่เราทาอยู่แต่ก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นมันก็ยังพอที่จะทำให้มีสติให้มีความนิ่งได้บ้าง แต่ที่ดีที่สุดก็คือต้องมานั่งให้ได้นั่งแล้วพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกถ้าไม่คิดอะไรแล้วจิตมันจะรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มร้อยแล้วมันก็จะได้มีกำลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยพอปฏิบัติได้ผลเพียงครั้งเดียวแม้จะเปเถินแบบชั่วงูแลบเล้นก็ตามชั่วแวบเดียวแต่มันจะเกิดความประทับใจอย่าง อย่างสุดซึ่งยังไม่มีความไม่มีความลืมเลยภายในใจประสบประการณครั้งแรกที่ได้พบกับความสงบนี้มันตื่นเต้นมาฉันจันใจอย่างยิ่งมันจะทําให้เกิดมีความยินดีมีพลังมีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับนะแล้วต่อไปเราก็จะกลายเป็นมืออาชีพไปเราก็จะรู้จักวิธีหาความสุข โดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปแล้วต่อไปร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะมีความสุขได้ทุกเวลานาทีเป็นอาการลิโกความสุขของใจนี้เป็นอาการลิโกไม่ขึ้นกับการเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่เหมือนกับความสุขทางร่างกายบางทีจะไปดูหนังก็ต้องมีเวลาดูเวลาจะไปกินเลี้ยงก็ต้องมีเวลาไปกินถึงจะมีความสุขได้ แต่ความสุขจากความสงบนี่มีได้ตลอดเวลาถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นเหมือนสวิตไฟพอกดสวิตไปปุ๊บมันก็สงบขึ้นมาทันทีให้ความสุขกับเราได้ทันทีแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายอีกต่อไปทุกข์ก็จะไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าเรามีวิธีหาความสุขจากศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเกิดเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องเราของพวกเราที่พวกเราจะได้เรียนรู้จากการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาคาสั่งคำมาฟังคําสั่งคางงงสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้อ่า นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนาราโสยธามณิโชติาราโสยธาสัภิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะ อภิวาทนาสีิทสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธมรมวัทานติอายุวโนโสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไร ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกตอบเพราะจะต้องทำอะไรมีอะไรต้องทำอีกถ้าไม่อยากจะถามเองให้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ f a c e b o o ห้าร้อยแปดสิบห้าย t ทูบสามร้อยสามสิบสามิยออนไลน์สิบห้า ผูรัฟังบนเขา 5, ร้อยหกสิบห้ารวมทั้งหมดหนึ่งพันเก้าสิบแปดขับประจานเชิญขอนรรมสถารขอเมตตาพระอาจารย์บทให้แสงสา ว, ว่างนิดนึงเจ้าค่ะเจ้าธัรมสารถามเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายเจ้าค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นบาปในประเทศไทยก็จะมีคนที่ กระทําการฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลบางเหตุผลเช่นเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะเช่นกรณีของคุณสืบนาคเสถียรเมื่อ20กว่าปีก่อนหรือที่เป็นข่าวดังอยู่ในตอนนี้ก็คือกรณีของท่านผู้พิพากษาเจ้าค่ะที่ต้องการใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมขอนนัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่า เป็นบาปคงเป็นบาปแน่นอนแต่ว่าญาติของเขาจะสามารถทาบุญอุทิศกุศลด้วยวิธีการใดบ้างเจ้าคะ่ะเพื่อที่จ ะ, ะช่วยลดทอนนะค ะ, อะขอเมตตาด้วยเจ้าคะ่ะคือบาปที่เกิดจากการฆ่าตัวตายนี้จะพาให้จิตนั้นไม่สามารถออกมาอรอลับส่วนบุญได้เนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาไปรับผลบาปของเขาก่อน จนกว่าเขาจะพ้นจากบาปนั้นแล้วเขาอาจจะมาเป็นวิญญาณที่มารารับส่วนบุญต่อไปงั้นแต่ทางญาติพี่น้องก็ส่งไปได้ทุกครั้งที่ทำบุญก็ส่งไปส่วนเขาจะรับได้หรือไม่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพของเขาเราไม่มีคนญาตที่เราจะไปอย่างรู้ได้แต่เราเป็นห่วงเขาเราอยากจะช่วยเขาเราก็ส่งบุญไปเรื่อยๆเพราะเร า, เราทำบุญนี้เราก็ทาเพื่อตัวเราแล้วอยู่แล้ว แล้วเราสามารถแบ่งบุญที่เราทําให้กับผู้อื่นไปได้เอเมนเวลาเราทําบุญเราก็แบ่งไปให้เขา<ะ>เราไม่ต้องเจาะจงว่าจะต้องทําให้เขาเพราะการทําบุญจริงๆนี้ผู้ได้รับบุญมากกว่าคือเราผู้ที่ส่งผู้ที่เราส่งบุญไปให้นี้เขาได้เพียงเซี่ยวเดียวของบุญที่เราทําำสาธุเจ้าค่ะ มีคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะมีปัญหาเรื่องลูกที่เอาแต่ใจไม่เชื่อฟังขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ควรทำอย่างไรกับขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ตัดทางปล่อยวัดไปหมดเรื่องจะทำยังไงเมื่อไม่เชื่อพูดไปเหมือนเทน้าใส่หนังหมาเทไปมันก็สลัดทิ้งหมดเสียดายน้ำเปล่า มันต้องทําใจแล้วล่ะถ้ามันไม่เชื่อก็จับมันบวชเนรบวชพระได้ก็จับไปบวชเนรบวชพระเลยมันอาจจะดีได้ถ้ามไม่เชื่อพ่อแม่ก็ต้องส่งไปให้มันอยู่กับคนที่มันเชื่อเข้าโรงเรียนกินนอนไปพอมันเข้าโรงเรียนกินนอนมันก็ดื้อไม่ได้แล้วดังนันเราก็ต้องทําใจว่าเราไม่มีความสามารถที่จะสอนเขาได้ก็ต้องไปฝากให้คนอื่นสอนให้เช่นตัดทางปล่อยวัต คำถามจากคุณชนนค่ะกับนรมาสการพระอาจารย์ค่ะคำถามข้อที่หนึ่งการฝันร้ายคือการชดใช้กรรมหรือเปล่าครับเป็นการดูหนังตัวอย่างของกรรมที่เราต้องชดใช้ฮมันเพี้ยเพราะมันเดี๋ยวเดียวมันดูหนังตัวอย่างมันแค่แป๊บเดียวเนี่ยเวลาเราฝันนี่มันแค่แป๊บเดียวนอนไม่กี่ชั่วโมงแต่เวลาไปเจอของจริงนี่มันเป็นปีนะฝันร้ายนี่มันฝันเป็นปีเป็นสิบปีร้อยปีอยงั้นก็ แอบรู้ว่าถ้าเราแฝนลายนี่แสดงว่าใจเรามีหนังตัวอย่างไม่ดีให้เราดูเยอะข้อที่สองค่ะการพูดจาไม่ดีหรือทะเลาะกับคนอื่นเพราะความโกรธถือว่าผิดศีลห้าไหมครับถ้าไม่ผิดศีลจะถือว่าทำบาปด้วยความโกรธหรือไม่ครับถ้าพูดคาหยาบถ้าพูด แล้วทำให้เกิดมีการนำไปสู่การทะเลาะวิวาทการสุดการทำร้ายกันถึงแม้จะไม่ผิดข้อศีลข้อสี่คือไม่ให้พูดปดนะแต่ก็เป็นวาจาที่ไม่ควรที่จะพูดเพราะพูดแล้วอาจจะนาไปสู่การฆ่ากันได้ทาร้ายกันได้ คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะกลับนามัสการพ่อแม่ครูอาจารย์ขอกาดเรียนถามว่าถ้าลูกมีอาชีพเป็นคุณครูแต่ตอนนี้ท้อใจกับการสอนเยาวชนให้เป็นคนดีเพราะต้องการสวนกระแสกับผู้ปกครองและครูด้วยกันควรทำใจอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์เจ้าคะก็อย่างที่พูดเนี่ยแล้วว่าคนเรามีนานาจิตต่างมีความรู้สึกนึกคิดต่างกัน ถึงแม้จะเป็นเด็กแต่ใจเขาไม่เด็กนะใจเขาใจเหล่านี้มีอายุเท่าๆกันมีอายุ ก, กี่แสนล้านปีก็ไม่รู้แล้วในใจของเขาแต่ละคนก็มีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะหว่านล้อมให้เขาเห็นเป็นตามความที่เราเห็นได้เราก็ต้องยอมเราก็ต้องเคารพในความรู้สึกนึกคิดของเขา คำถามจากคุณอรวรันค่ะนั่งกรรมฐานกับนั่งสมาธิคือสิ่งเดียวกันหรือไม่เจ้าคะสิ่งเดียวกันกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมใจให้สงบให้เป็นสมาธิเหมือนบวชพระกับบวชบวชนาคนี่เหมือนกันไหมบวชนาคก็บวชพระนาคือคนที่ยังไม่ได้บวชพระคือคนที่บวชแล้วพูดจริงๆแล้วต้องบวชอะไรกันนะบวชนาเพบวชพระ ต้เอานั่งมาบวชให้เป็นพระใช่ไหมเขาบอกเขาบวชคนบวชบวชบวให้เป็นพระเขาบวชสั้นๆเขาก็เรียกว่าบวชพระบวชน่งให้เป็นพระเขาก็เรียกบวชพระก็ได้บวชนะก็ได้นั่งกรรมฐานนั่งสมาธิก็ตัวเดียวกันนั่งก็ต้องมีกรรมฐานถึงจะมีสมาธิได้คําถามจากทางยูทูบค่ะ ทุกวันนี้มีหลายๆสำนักต่างบอกว่าคำสอนมาจากพระไตรปิฎกแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรในเมื่อคำสอนนั้นขัดแย้งกันกราบสาธุครับก็ต้องไปหาคนที่เขารู้พระไตรปิฎกมาอธิบายเราฟังว่ามันไม่ขัดแย้งกันใจเราไม่ไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะเช่นอัตตาหิอัตนโนนาโถกับพุทธังสลานัมกฉามิ คำสอนหนึ่งก็บอกให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกคำสอนหนึ่งก็สอนให้พึ่งตนเองมันก็รู้สึกขัดแย้งกันแต่ถ้าไปถามคนที่เขารู้เขาบอกว่ามันไม่ขัดแย้งกันหรอกมันเป็นคนทำเรื่องกันถ้าเรายังพึ่งตนเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปก่อนเมื่อเราเพึ่งพระพุทธเมื่อเราพึ่งตนเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาคำถามสุดท้ายนะ คำถามจากคุณจันทการคะ่ะแม่ฝากถามคะ่ะแม่ขายที่ดินของแม่เพื่อรักษาตัวเองแม่แบ่งเงินให้ลูกทุกคนบางคนไม่พอใจเลยตัดขาดแม่แม่ควรทำใจยังไงดีเจ้าคะ คามจริเง <yap> ินของแม่แม so ่ไม so ่ต้องให้ลูกหรอกแม่ไม่แบ่งให้ลูกก็ไม่ไม่เป็นความผิดของแม่เพราะเงินนี่เป็นของแม่หามาไม่ใช่เป็นเงินของลูกหามาถ้าเป็นเงินของลูกก็ต้องแบ่งให้ลูกไปเป็นของลูกแต่ถ้าเป็นเงินของแม่หามานี่เป็นของแม่แล้วลูกจะไปตัดขาดแม่เพราะไม่ได้เงินก็เรื่องของลูกมันเป็นเรื่องของความโกรธ ความไม่ความอักตันอยู่ความไม่เห็นบุญคุณของแม่แม่ให้เรามาต้องเยอะแยะไม่พอนี่ให้ร่างกายเรานี่ยมีมีคุณค่าราคายิ่งกว่าเงินหมืน่นล้านแสนล้านเว่าเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ซื้อร่างกายนี้ไม่ได้นะยังคนคิดไม่เป็นคนโง่คิดจะเอาแต่เงินทองของแม่พอแม่ไม่ให้ก็โกรธไปตัดแม่ไปตัดแล้วได้อะไรแม่ก็เสียอะไรก็ไม่เห็นเสียอะไร <laughs> นั่นก็คือเรื่องของคนโง่คนที่คิดด้วยความโกรธมีถามป่าเขาอยากจะถามอะไรบ่างถ้าถามว่าถามนะสุดท้ายนะจะปิดนะจะปิดนะหลวงพูครับจะถามที่ที่ USB ของหลวงพูมีเป็นที่หลวงปู่ส่วนบงหรือหลวงปู่ ทอ่คทเทศตั้งปีเลยเนะี่ยที่เทศสามรอยสิบห้าวันของปีที่แล้ว อ, อยู่ใน USB เดี๋ยวต้องการมาเอาได้เอาขบงง่ายครัโอเค okay. วันนี้ก็หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถิด